มันตอบว่าเมื่อสิบปีก่อนโนนอ้าวถ้างั้นแกก็รู้จักพระองค์นี้ก่อนเกิดสิใช่เจ้าค่ะเมื่อก่อนนี้หนูเป็นหมาขี้เรื้อนอยู่ในวัดนี้อาศัยกินข้าวกลนบาดพระบังเอิญวันนั้นพระองค์นั้นท่านแบกขอนไม้ไปทิ้งที่ป่ายะคาหนูอยู่ในนั้นท่านไม่เห็นพอดีขอนไม้ไปทําหัวหนูตายตายแล้วมาเกิดกับแม่ที่เนี่ยพอรู้เดงสาขึ้นมาคิดถึงแต่พระองค์นั้น อยากจะมากราบขอพระคุณท่านอาโหสิกรรมให้แล้วจะลบล้างกรรมได้หรือไม่